อทโคนาคเสโนลลำดับนั้นพระนาคเเสนผู้มีอายุก็ถวายพระพรลากลับไปสู่สังคารามฝ่ายสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาผู้ประกอบด้วยปัญญาฉลาดที่จะไต่ถามอธปัญหาครั้นว่าได้ไต่ถามพระนาคเเสนซ่องเสพสมาคมเข้าก็ค่อยมีปัญญากว้างขวางไปในพระไตรปิฎกอันเป็นพระพุทธว จ, จะนะมีองค์ก้าประการ จึงเสด็จเข้าสู่ที่ระหูฐานสงัดสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตจึงทรงรำพึงไปในราตรีเห็นว่าเมนตกะปัญหานี้ยากที่บุคคลวิสัชนาได้นานไปภายหน้ากุลบุตรในพระพุทธศาสนาจะสนทนากันด้วยพระพุทธวจนะเป็นเมนตกะปัญหาแล้วจะวิวาดกันด้วยพระไตรปิฎกนั้นเป็นหลายสถาน สมเด็จพระสาสดาจารย์ตรัสไว้โดยปริยายนั้นก็ดีตรัสไว้โดยอัดนั้นก็ดีตรัสไว้โดยสภาวะนั้นก็ดีหันทะพิดังนั้นอัตมานี้จะให้พระน้าเกษณเชื่นชมยินดีในถ้อยคำของอัตมาแล้วจะถามซึ่งเมนตะกะปัญหาให้พระน้าเกษณวิสัชนาแก้ไขให้แจ้งแจม่มใสจะได้แก้เสียซึ่งทิฏฐิแห่งกุลบุตร อันจะมาเกิดในอนาคตกาลเบื้องหน้าเรื่องพระยามิลินทรงสมาทานคุณธรรมแปดประการอัฐโคมิลินโทราชาอันดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินธราธิบดีครันมราตรีรุ่งร่างสว่างฟ้าเสียงส ก, กุนานิกรนกผาดผันโพผินบินไปจากรงรังเร่ร่อนสัญจรเที่ยวเล็มล่าหาอาหาร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 ด้วยอำนาจแห่งราคะดำริษนาประการหนึ่งกักสจิบรัสโกโทโกะรณียูมิให้พระไทยกโกรธเคียดแทนแก่ผู้ใดผู้หนึ่งประการหนึ่งณโมหวเสนจริตพังมิได้ประพฤติเป็นโมหจริตลุ่มหลงประการหนึ่งนิวาตะวุตินาภวิตพังประพฤติอ่อนน้อมต่อนางทาสี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 นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาะแต่ถว่าอัดที่ไม่ควรจะรับก็อย่าได้รับอย่าได้ซ่อนอำพรางปกปิดไว้จงกระทำอุปมาอุปไมยให้เห็นแจ้งแจ่มใสยะถากิงวิยะจะเหมือนด้วยสิ่งใดดีมีครุวนาดุจปัตพีอันเป็นที่ซ่อนของไว้และเป็นที่จะหาของฉันใดเล่าตัวข้าพเจ้าก็เหมือนกัน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 บุคคลจะคิดซึ่งอัดอันคำเพียรภาพลึกลับนั้นให้เว้นจากปริวัติชนียฐาน8ประการและบุรุษจะรำพึงการอันเป็นอัดอันลับจะพูดอัดอันลับนั้นถ้าไม่เว้นสิ่งควรเว้น8ประการนี้แล้วย่อมจะเสียความพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญปริวัติชนียฐาน8ปประการนั้นวิสมังฐานัง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 เหตุการยเล่าบ่พิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์จึงมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญบุคคลที่เป็นมราค้าจริตนั้นกำหนัดอยู่ด้วยราคะแม้จะพูดด้วยอัดอันลับจะคิดซึ่งอัดอันลับมิอาจที่จะคิดได้ยังอัดอันลับให้ชิบหายะผู้เป็นเจ้าประการหนึ่งเล่า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 ปัญญาจเจริญด้วยอยูนิโสมนสิการกำหนดเอานั้นประการหนึ่งปัญญานั้นจเจริญด้วยธรรมสากาัะชาพูดจาอัตถธรรมนั้นประการหนึ่งมีสี่เนหารักใครในอัตถธรรมนั้นประการหนึ่งอยู่ในประเทศอันสมควร น, นั้นประการหนึ่งสิริเป็นองค์แปดประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชะองค์การตรัสต่อไปว่าอายังภูมิภาคู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 บุคคลผู้นี้จำเริญประพฤติอย่างนี้ควรที่ท่านจะประพฤติต่อไปประการหนึ่งอาจารย์รู้คามะอุปจาร์ประการหนึ่งอาจารย์รู้คุณวิหารอุปจาร์ประการหนึ่งอาจารย์มิให้สิทธเล่นและหัวเราะเล่นประการหนึ่งอาจารย์เห็นว่าสิทธเป็นโทษห้ามเสียซึ่งโทษอดโทษสิทธประการหนึ่ง ส, ส ก, กจังการินามีปกติอ่อนน้อมต่อสิทธประการหนึ่ง